บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในอานาปานาปป ะ, ะหรืออานาปานาสติกมธฐานที่พระภูมีพระภาคจากทรงแสดงไว้และทรงสรรเสริญอานิสงส์ไว้เป็นนันเอ ก, กปริยายนั้น หลักการในการปฏิบัติเบื้องต้นที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือว่าตัดปริพอดเครื่องกังวลต่างๆออกไปจากจิตใจเครื่องกังวลจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ตามเรื่องหน้าที่การงานที่ตนจะต้องจัดจะต้องทําในอดีตก็ตามและตัวอารมณ์ คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทำความสงบก็ตามนั้นผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะต้องตัดเรื่องเหล่านั้นออกไปจากจิตใจอย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งคือว่าเวลาที่กำลังทำความสงบอยู่กรณีสังเกตว่าเวลาปฏิบัติจึงทรงเน้นไปที่สถานที่ อันมีอุปการะต่อการปฏิบัติคือไม่ให้บุคคลต้องไปห่วงใยกังวลในหน้าที่การงานบ้านเรือนทรัพย์สมบัติสิ่งของบุตรพัญยาเป็นต้นโดยให้พยายามหาที่สงัดเงียบจากเสียงรบกวนและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องที่จะต้องจัดจะต้องทำในโอกาสต่อไป มักจะเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแม้ในขณะที่บำเพ็ญเพียรทำความสงบใจอยู่บางคราวจิตก็จะเป็นเหนี่ยวนึกว่าจะต้องจัดจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตก็ถูกแบ่งแยกความคิดก็สายไปในเรื่องนั้นๆ ความสงบที่บุคคลต้องการให้เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้และอีกประการหนึ่งตัวอารมณ์ที่ผู้ปฏิบัติต้องการปรารถนาส่วนมากแล้วจะต้องการความสงบกับต้องการเห็นนิมิตต่างๆซึ่งมักจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญและมักจะบน่นการอยู่เสมอว่านั่งแล้วใจไม่สงบ หรือว่านั่งแล้วไม่เห็นเห็นอะไรก็ น, นี้บุคคลพึงเข้าใจว่าถ้าหากว่าใจยังสายอยู่ในลักษณะนั้นลักษณะอยากให้เกิดความสงบหรือลักษณะที่อยากเห็นแสงสีงต่างๆก็ตามเป็นอาการของนิวรณ์ที่เรียกว่ากาเมฉันเมื่อจิตตกอยู่ที่นิวรณ์คือกามฉัน และนิวนรณ์กาลังครอบกามใจอยู่สมาธิซึ่งตรงกันข้ามกับกามฉันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างมาแล้วว่าธรรมะกับอาธรรมจะเกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้เหมือนความมืดกับแสงสว่างจะปรากฏพร้อมกันในจุดเดียวกันไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัต จึงอยู่ที่ตั้งสติระลึกอยู่ที่อารมณ์ซึ่งบุคคลได้ใช้ในขณะนั้นๆในชั้นของการปฏิบัติอนาบาณนสติกมรมฐานจึงทรงแสดงขั้นตอนแห่งการปฏิบัติเอาไว้เป็นลำดับดังนี้ประการแรกเรียกว่าอุกกหะคือการศึกษากรรมวิธี ในการปฏิบัติอนาปานสติกรมฐานว่าปฏิบัติอย่างไรตลอดถึงวิธีนั่งวิธีกำหนดอารมณ์และอุบายวิธีต่งตางๆที่จะแก้ทางของอารมณ์ซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องของปริยัตโดยตรงที่ผู้ตั้งใจปฏิบัติจะต้องศึกษาตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ ประการที่สองเมื่อมีปัญหาข้อข้องใจปักใจลงไปไม่ได้ตัดสินใจปัญหาอะไรไม่ได้ก็ต้องมีปริพุชชาคือการสอบถามการไต่าถามเพื่อแก้ข้อข้องใจแก้ความสงสัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจดเพราะถ้าหากว่าใจยังตกอยู่ที่ความข้องใจความสงสัยแล้ว มันก็กลับเป็นนิวร์อีกข้อหนึ่งคือวิจิกิชาถ้าหากว่าตัวความข้องใจนั้นมีอยู่มากแทนที่จะเป็นวิจิกิชาอย่างเดียวก็จะกลายเป็นอุทธจัทธจจกุจจะคือพุ่งสั้นไปด้วยแต่ละอย่างนั้นเป็นศัตรูตัวรายของกรรมฐานจาสตใดที่อารมณ์เหล่านี้ยังปรากฏอยู่ที่จิต ความสงบที่บุคคลต้องการปรารถนาจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อได้เรียนและสอบถามจนหายความเครื่องแแลงสงสัยในชั้นของปริยัตคือเรื่องที่จะต้องเรียนรู้แล้วต่อไปก็เป็นอุปัฏฐานะคือการเริ่มปฏิบัติกรรมฐานได้แก่การตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างที่ว่ามาแล้ว และตัวที่เป็นอุปถานะคือเริ่มตั้งสตินั่นเองก็มีหลักในการปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านเรียกว่าผู้ปฏิบัติเบื้องต้นก็ต้องกำหนดระลึกจูในสีลักษณะของอารมณ์ดังที่เคยกล่าวมาแล้วเดี๋ยวันก่อน คือเมื่อหายใจเข้าออกยาวก็ให้กาหนดรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวการกาหนดในลักษณะนี้บางครั้งอาจจะต้องอาศัยอะไรเข้าเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือทำนองเดียวกับการอ่านหนังสือให้สังเกตว่าในการอ่านหนังสือแต่ละคราวนั้น ถ้าบุคคลได้รวบรวมประสาท ต, ต่างๆเข้าไปใช้ในหนังสือเหล่านั้นโดยตาดูที่ตัวหนังสือปากอ่านออกเสียงหูก็ฟังเสียงนั้นใจก็กําหนดเนื้อความวรรคตอนความหมายเนื้อหาในหนังสือเหล่านั้นเป็นการระดมอุปกรณ์ที่มีอยู่ในร่างกายเข้าไปใช้เพื่อหนังสืออย่างเดียวถึง4อย่าง ถ้าหนังสือในลักษณะนี้การออกเสียงการใช้วักตอนเนื้อหาข้อความต่างๆที่ปรากฏในหนังสือก็จะชัดเจนสาหรับบุคคลผู้นั้นเพราะอารมณ์ภายนอกได้ถูกตัดไปเนื่องจากตาก็อยู่ที่หนังสือหูก็ฟังที่หนังสือใจก็คิดที่หนังสือปากก็อ่านที่หนังสือและดมลงไปในเรื่องเดียวกัน การปฏิบัติทำความสงบใจก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งถ้าหากว่าเพียงแต่กำหนดใจยังแกว่งยังสายอยู่ในอารมณ์ดดนั้นก็อาจจะกำหนดในลักษณะอื่นอย่างที่ทรงใช้ว่าประชานาติคือรู้พร้อมว่าเราหายใจเข้าและหายใจออกอาจจะกระซิบ เบาๆภายในใจของตัวเองขณะนี้เราหายใจเข้ายาวขณะนี้เราหายใจออกยาวซึ่งเป็นการฝึกปรือในเบื้องตน้นก็ได้แก่การรวบรวมประสาทส่วนต่างๆของร่างกายเข้าไปใช้ในเรื่องอารมณ์กรรมฐานนั่นเองแม้การหายใจออกสั้นยาวสั้นก็ให้กาหนดโดยลักษณะอย่างเดียวกัน ในช่วงที่สมที่ทรงสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งสิ้นนั้นอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าเป็นเรื่องการตั้งลมไว้ตั้งสติไว้ในสามฐานคือระลึกจุดที่ลมกระทบจนเกิดความส ง, งบของกายสังขารคือลมหายใจเข้าและหายใจออก ความสงบของกายจะสังขารคือลมหายใจเข้าออกนั้นให้สังเกตว่าอยู่ที่บุคคลกระทําอะไรอยู่ในขณะนั้นๆอย่างในกรณีที่เหน็ดเหนื่อยมามากทํางานหนักหรือวอวิ่งมาบางครั้งก็หายใจด้วยจมูกไม่ทันต้องหายใจด้วยปากด้วยนี่แสดงว่าพลังงานต่างๆได้ถูกใช้ไปมาก แต่ว่าการตั้งสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นการตัดปริพภ o t ่าง ๆ, างๆเครื่องกังวลต่าง ๆ, างๆออกไปจากจิตใจใจก็มาสงบอยู่ที่อารมณ์ของการมาทานไม่วิ่งสัสสายไปในที่อื่นความสงบก็ปรากฏเด่นชัดชัดมากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีปฏิบัติสำหรับ ข้อสมา บ, บุคคลที่เรียกว่าเริ่มต้นปฏิบัติศึกษานั้นก็ได้สอนท่านได้สอนวิธีปฏิบัติเอาไว้หลายอย่างเช่นการนับช้านับเร็วการนับช้านั้นเพื่อควบคุมการนับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกท่านอุปมาเหมือนกับคนที่ตวงข้าวสารตวงข้าวเป็นทั้งถัง เมื่อครบถางแล้วก็เทลงไปแล้วก็นับปุ่หนึ่งคนที่ถือคะแนนจดคะแนนก็รับปุ่นหนึ่งก็ทำนองการหายใจเข้าออกที่นับลมหายใจเข้ากว่าหนึ่งหายใจออกกว่าหนึ่งตามลำดับซึ่งในกรณีเช่นนี้ใช้เวลาช่วงนานเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติของผู้ที่หายใจยาก แต่วิธีหนึ่งที่หายใจเข้าออกเร็วนั้นท่านอุปมาเหมือนกับนายโคบานที่นับโคเวลาออกจากคอกโคนั้นถูกขังอยู่ในคร อ, อกเป็นเวลานานนายโคบานก็เปิดประตูค อ, อกเพื่อโคแก่ออกเนื่องจากโคเบียดเสียดอยู่ในค อ, อกเป็นเวลานานพอเปิดประตูค อ, อกก็แย่งกันออกการนับในลักษณะนี้จึงนับเร็ว แต่ก็ให้สังเกตว่าสติจะต้องเป็นไปทันการวิ่งออกของโคเพราะถ้ากําหนดไม่ทันก็นับพลาดได้การนับลมหายใจที่เข้าออกเร็วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสติจึงจังต้องแนบแน่นอยู่กับตัวลมหายใจเข้าออและหายใจออกจับใดที่ยังไม่สงบอยู่กับลมหายใจเข้า อ, อ ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานได้แต่จะถือว่าเป็นผู้มีอานาปานสติกรรมฐานไม่ได้ข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะตัวอานาปานสติกรรมฐานนั้นคือการตั้งสติระลึกตามลมหายใจเข้าออกเกือตลอดไม่สัดสายไปในเรื่องอื่น เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งว่าเราไม่กล่าวว่าเป็นอาณาปานสติแก่ผู้ที่ยังเผลอสติอยู่แต่ในชั้นของการปฏิบัติเบื้องต้นความเผลอความพรังความหลงต่างๆก็เกิดขึ้นซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความเพียรพยายาม กำหนดระลึกไปตามขั้นตอนที่สงแสดงเอาไว้ซึ่งหมายความว่าใครจะอยู่ในขั้นตอนใดก็ปฏิบัติอยู่ในขั้นตอนนั้นเรื่องปริยัติก็ศึกษากันไปเรื่อยส่วนปฏิบัติไม่จําเป็นจะต้องก้าไวไปในเวลารุดเร็วหรือปรารถนาผลในชั้นนั้นๆตามที่ท่านแสดงเอาไว้เพราะเป็นนิวรณ์ดังกล่าวแล้ว ดังนั้นเรื่องของกรรมาฐานหลักการที่แท้ จ, จริงแล้วคือเรียนหลักสำหรับปฏิบัติให้มากเมื่อรู้เฉพาะในจุดนั้นแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ว่าในชั้นของการนับหรือในชั้นของการกำหนดดูลมรู้ลมก็ตามกำหนดไปอย่างนั้น ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าจะกำหนดนับไปนานเท่าไรท่านเฉลยว่ากำหนดนับไปจนแม้แต่ไม่ได้กำหนดลมแต่สติไม่พรากไปจากลมก็เข้าทำนองบุคคลเอาของซึ่งเบาหรือเล็กมาวางซ้อนกันในชั้นแรกเราอาจจะต้องใช้มือจับ เพื่อประคับประคองสิ่งนั้นไม่ให้หลุดออกมาแต่ว่าฝึกวางฝึกตั้งจนสิ่งนั้นแม้ไม่ต้องจับก็ดำรงอยู่ได้การตั้งสติกำหนดลึกรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันข้อนี้แม้ในเรื่องอื่นๆที่บุคคลฝึกปลือประพฤติปฏิบัติ ก็ทากันไปจนเกิดความชำนิชำนาญในเรื่องนั้นๆบางคนฝึกมือให้มือเบาจนขนาดจะจับขี้เถาบุหรี่ไม่แตกนี่แสดงถึงว่าฝึกมาเข้าขั้นการฝึกลมการฝึกสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางคราวแม้จะได้กำหนดหรือไม่กำหนดก็ตาม แต่จิตมีความเคยชินเช่นเดียวกับตัวอย่างที่เคยยกมาว่าเหมือนกับลูกโคที่เคยชินยินดีอยู่กับหลักแล้วบางคราวอาจจะไม่ต้องไปควบคุมอะไรแก่แกก็นอนแนบอยู่ใกล้หลักนั่นเองจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นั้นคือฝึกจนเรียกว่าไม่ต้องฝึก ก็เป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติเนื่องจากผลคือความสงบที่เกิดขึ้นจากการตั้งสติระลึอกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมีความละเอียดมีความประณีตมีความสงบเจ็นเป็นผลซึ่งถ้าหากว่าปล่อยอารมณ์ไปในอารมณ์ต่างๆบุคคลจะสัมผัสผลเหล่านั้นไม่ได้แต่เมื่อมาสัมผัส โดยผลแห่งการประพฤติปฏิบัติความปราโมดความอิ่มใจความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นแล้วก็สงบจู๋กับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อมาถึงจุดนี้จิตก็จะเดินเข้าไปอีกขั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอัปปนาคือความตั้งมั่นของจิตใจไม่ได้สายไปในอารมณ์ ซึ่งเคยสายอยู่ตามปกติเพราะเป็นจิตที่ได้ฝึกปลือมาดีแล้วแล้วในจุดของอัปปนานี้เองจะมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นแต่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรปรากฏขึ้นก็ตามท่านก็ให้มีสติระลึกอยู่ในเรื่องนั้นๆอย่างในกรณีที่เกิดเป็นดิมิต ต่างๆปรากฏขึ้นในขณะที่นิมิตปรากฏนั้นบางทีลมหายใจแผ่วเบาไปอย่างที่เคยพูดมาแล้วท่านก็สอนให้กําหนดไว้ที่นิมิตก็ได้โดยไม่ต้องไปใส่ใจที่ลมหรือตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมเคยกระทบก็ได้แต่จะกําหนดระลึกอยู่ในจุดใดก็ตาม จิตก็ยังสงบแ น, แน่แน่อยู่กับอารมณ์นั้นๆถ้าสงบอยู่กับนิมิตก็ชื่อว่าระลึกอยู่ที่นิมิตสงบอยู่ที่จุดถึงลมกระทบใจก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ซัดสายไปในที่อื่นนี้เรียกว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติมาจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นอัปปนา และบางคราวก็อาจจะปรากฏเป็นรูปของปีติในลักษณะต่างๆถ้าถึงชั้นนี้ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มที่สองของหมวดลำดับที่ท่านแสดงเอาไว้ถ้าปีติปรากฏขึ้นจะเป็นลักษณะอย่างไรก็ได้อาจจะรู้สึกผิวหนังเต้นยุบยับหรืออาจจะรู้สึกสู้ซาดเสียวไปทั่วตัว หรืออาจจะรู้สึกว่ามีขนพองลุกชูชันขึ้นมาบางคนก็อาจจะน้ำตาไหลบางคนก็เ อ, อิบอิ่มคล้ายๆตัวจะล่องลอยไปเป็นต้นซึ่งตัวปีติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในอาาปานสติกรรมฐานนั้นท่านบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับอุปนิสัยบารมีของบุคคลด้วยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือมีความสงบพระนิษ ไม่มีภาพอะไรเป็นเรื่องที่น่ากลัวเวลาปีติบางเกิดขึ้นก็ให้ตั้งสติอยู่ที่ลมหรือแม้แต่ตั้งสติอยู่ที่ปีติที่ไดนใช้คาว่าสำเนีกรู้ปีติซึ่งเป็นการใช้ทั้งสติและสัมปชัญญะให้ระลึกรู้อยู่ที่ปีติหรือจะระลึกรู้อยู่ที่ลมความสงบก็คงอยู่ในทํานองเดียวกัน แต่มีข้อที่ควรกำหนดไว้ประการหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าลักษณะซึ่งเป็นบันไดอีกชั้นหนึ่งลักษณะของความส ง, งบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมาฐานนั้นนอกจากลักษณะที่กล่าวแล้วคือมีความละเอียดมีความประณีตมีความส ง, งบมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิต อีกประการเด่นก็คือจิตจะติดที่ความสงบคือติดที่ตัวอัปปนาไปตั้งมั่นอยู่นั่นเองข้าวทำนองกับคนที่เดินทางมาร้อนๆมาถึงถ้าศาลาม่มีศาลาพักผ่อนลมพัดเย็นสบายก็ข้าวไปนั่งพักไม่ยอมเดินเพราะกลัวร้อนข้างนอกหรือว่าปะปฏิดจย็นข้างในก็ได้แต่สรุปก็เดินไม่ได้ เมื่อเดินไม่ได้แล้วความเคยชินเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเวลาปฏิบัติต่อไปพอจิตตกเข้าสู่ความสงบก็อยู่อย่า ง, ง น, นั้นอีกบางคนอาจจะติดอยู่ได้เป็นปีๆทุกคราวที่เริ่มปฏิบัติพอจิตเข้าขั้นตอนมาโดยลำดับเป็นอัปนาติดที่สมาธิซึ่งว่าที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องถึงจะเสียหายอะไร ในชั้นข้อการปฏิบัติสมาธิแต่ว่าเสียที่เดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งบุคคลจะต้องกำหนดระลึกโดยใช้เพิ่มสัมบชัญญะตัวปัญญาให้สูงขึ้นเห็นว่าจิตแกไปอยู่ส ง, งบเช่นนั้นก็คล้ายๆกับไปนั่งส ง, งบอยู่ที่ศาลาไม่มีเสียงรบกวนก็ใช้ปัญญาไปพินิจพิจารณาสังขารทั้งหลาย คือเปลี่ยนจากสมถะเป็นวิปัสสนาไปโดยอาศัยปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณากำหนดระลึกดูนามรูปอะไรก็ได้โดยเฉพาะในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นอาการของเวทนาคือสุขเวทนาก็ดูที่เวทนาให้เห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้ในบางครั้งบางคราวเมื่อนั่งไป ใจไม่ยอมส ง, งบแต่ว่าแกไปคิดของแกด้วยคิดเป็นวิปัสสนาพอเริ่มส ง, งบไปได้หน่อยไม่ยอมส ง, งบไปคิดซึ่งก็เป็นการความดีอีกชั้นหนึ่งเมื่อแกคิดก็ปล่อยให้คิดแต่ว่าคิดตามแนวของไตรลักจะยกอะไรขึ้นมาก็ได้ คือจะมองในแง่อันิจจังทุกขังหรืออนัตตาก็ได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าใจแกไปน้อมคิดอะไรถ้าแกไปคิดเรื่องอันิจจังก็กำหนดรู้ในจุดของอานิจจังพยายามมองสิ่งที่เรียกว่านามรูปก็สรุปว่าอะไรก็ได้แกคือสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นด้ถูกต้องด้วยกายหรือแม้แต่สิ่งที่รู้ด้วยใจ สามารถพิจารณาอะไรเห็นได้ชัดก็พิจารณาสิ่งนั้นมองดูในจุดของความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปแล้วก็จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของนา ม, มารูปอันนึ่พอดูนานๆเข้าช่วงที่ตั้งอยู่นั้นจะขาดมีแต่เกิดกระดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปตลอดไปได้ก็คล้ายๆกับ ดูหยดเลือดหรือดูอะไรด้วยกล้องจุลทัศน์ดูความเกิดดับของกระแสไฟเป็นต้นพอหนักเข้าหนักเข้าก็จะเห็นเฉพาะความดับของเรื่อ ง, อ ง, งนั้นนนั้เมื่อมีปัญญาแก่กล้าขึ้นก็พิจารณามองเห็นในแง่ในมุมต่างๆมากยิ่งขึ้นจะเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในแต่ละจุดคือจุดเกิดก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง จุดดารงอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจุดที่ดับก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและจุดที่แปรปวเปลี่ยนแปลงนั่นเองก็ดํารงอยู่ได้ชั่วขณะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเท่านั้นเองเป็นการเกิดดับอย่างรวดเร็วมากของสิ่งทั้งหลายนี่ก็เป็นการขั้นของการใช้ปัญญาพิจารณาสมมติว่าจิตแกน้อมไปอย่างนั้นก็ใช้ได้อย่างนี้ ก็สรุปว่าถ้าสงบก็มุ่งไปในด้านสงบเป็นสมถกรรมฐานไปถ้าแกเกิดอยากคิดก็คิดเสียให้ได้เรื่องได้ราวคิดไปในแนวของใจรักใจจะอยู่กับธรรมะตลอดไปคือไม่อยู่กับสมถะก็อยู่ที่วิปัสสนาไม่อยู่ที่วิปัสสนาก็อยู่ที่สมถะส่วนสมถะนั้นเป็นการเสริมสร้างสติเป็นหลัก วิปัสสนาก็เสริมสร้างปัญญาเป็นหลักแต่ละอย่างก็เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันสนับสนุนกัน้ลยกันผลคือความสงบความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆก็จะบางเกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือการประพฤติ ธ, ธรรมของบุคคลเหล่านั้นทั้งนี้ตัวปริยัติจึงเป็นอุปการะอย่างสําคัญที่จะเตือนตัวเองว่าตอนนี้ควรจะใช้อะไรควรจะใช้สมถะหรือควรจะใช้วิปัสสนาในกรณีที่อารมณ์ปรากฏ ข, ขึ้นมาเช่นนั้นเป็นการแก้ทางของจิตและแก้ทางของอารมณ์ ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปจากผลของการประพฤติปฏิบัติแล้วผลประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมะในชั้นของกรรมฐานก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแกร่กรณีดังที่ได้กล่าวแล้วต่อต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบ ต, ต่อไป